เทศธรรมป่าไม่ได้ตั้งละมูลทะลึกนอกน้อมต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็อธิบายไปเลยทีเดียวท่านผู้ฟังก็กระดุนานั่ ง, งตามสบายทําความสงบใจไม่ต้องประมมือก็ไม่เสียความเคารพขอให้ใจเคารพทำอยู่ภายในภายในความรู้สึกคือใจหรือไม่ให้ใจส่งไปในที่ต่างๆตามปกติของใจ สึ่งคิดไปอย่างนั้นเสมอในขณะที่ฟังธรรมก็อเพลงานาให้ความรู้สึกคือใจนั้นอยู่กับตัวการฟังเสียงอักเสินธรรมก็จะชัดเจนขึ้นจิตเมื่อได้รับความสัมผัสจับธรรมอยู่โดยสม่ำเสมอไม่มีอะไรเข้ามาแทรกจิตไม่มีทางที่จะแยกออกไปสู่อารมณ์ภายนอกเพราะความสัมผัสอย่างธรรมสืบเนื่องกันอยู่โดยลําดับแล้ว ใจก็จะมีความสงบลงไปใจที่สงบลงไปนั่นแหละเป็นสิ่งที่เราจะให้เอารู้ความแปลกประหลาดของใจถ้าไม่มีความสงบเลยความแปลกปั้ง้จน็มีเราฐานโลกมานาน ทุกๆคนพอได้โผล่ออกมาสู่ความเป็นมนุษย์ก็เริ่มผ่านโลออกมาโดยลำดับจนกระทั่งถึงบัดนี้เป็นเวลาหลา ย, ลายเดือนหลายปีสิ่งที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกของเราคือใจนี้เราก็ได้รับสราบมาโดยลำดับ ทั้งดีทั้งชั่วทั้งได้ทั้งเสียทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งสรรเสริญสรเสรินินทาเพราะโลกเต็มอยู่ด้วยสิ่งเหล่านี้ทนี้การเรียนทมการศึกษาทมการปฏิบัติทมเพื่อผลประโยชน์อะไรนี่เป็นปัญหาอันหนึ่งที่ควรจะคิดอ่านกันเพราะศาสนานั้น ตามหลักธรรมท่านก็กล่าวไว้แล้วว่าเป็นคู่ควรแก่มนุษย์ยิ่งกว่าภูมิใดๆทั้งหมดแม้พระพุทธเจ้าจะมาตรัสรู้แต่และองค์ๆก็ต้องมาตรัสรู้ในแดนแห่งมนุษย์นี้ไม่ไปตรัสสรู้ที่อื่นการประกาศสอนธรรมก็สอนลงที่แดนแห่งมนุษย์ก่อนอื่นและแสดงอย่างเปิดเผยก็แสดงแก่มนุษย์ แสดงทุกแง่ทุกมุมตลอดถึงอากาบกิริยาทั้งกายทั้งวาจาตลอดถึงใจที่คิดเกี่ยวกับโลกก็คือโลกมนุษย์เป็นผู้ที่ได้เปรียบบรรดาโลกทั้งหลายอยู่มากเกี่ยวกับเรื่องศาสนธรรมคือศาสนาแล้วที่นี่ศาสนากับเรามีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรบ้าง ความรู้สึกของเราในบางครั้งหรือบางรายจึงเห็นว่าศาสนาไม่จำเป็นก็มีศาสนาเป็นของจำเป็นก็มีแล้วเมื่อศาสนาไม่จำเป็นแล้วเราจำเป็นกับอะไรนี่ก็ควรเป็นปัญหาอันหนึ่งขึ้นมาสำหรับเราถ้าต้องการเหตุผลต้องการหลักเกณฑ์ต้องการสาระคุณแก่ตนเพราะเราเกิดมาด้วยกันไม่ต้องการมา ล่มมาจมมาทิบหายหวายปวงต้องการหาคุณงามความดีหรือสิ่งที่เป็นกําไรติดตัวมาโดยลําดับหรือต้องการหลักฐานมั่นคงเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางน้าจิตใจของเราแม้แต่สิ่งภายนอกเรายังควนขวายเหมือนโลกทั่วไปก็เพื่อเป็นหลักฐานเป็นเครื่องประกันชีวิตเราเป็นตึกรามบ้านช่องหรือบ้านเรือนอาหารการบริโภคเครื่องนุ่งห่มเหล่านี้เป็นเครื่องประกันหรือเป็นเครื่อง เครื่องเหนียวเครื่องอาศัยของเราทั้งนั้นโลกทั้งหลายเสาะแสงกันถือว่าเป็นสิ่งสําคัญเพราะร่างกายจิตใจได้อาศัยสิ่งเหล่านี้หากไม่มีสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วก็สร้างอยู่ไม่ได้ต้องสลายไปโดยไม่ถึงการเลยวันหนึ่งเราที่ไม่เคยอดอาหารเราลองอดดูสักวันจะเป็นยังไงบ้าง เราเห็นคุณค่าของอาหารมากมายกลายกองในวันที่เราอดอาหารแต่ถ้ารับทานอยู่จิ๊บจิบจับจับทั้งวันทั้งคืนไม่มีเวลาหิวโหยเลยนั่นอาหารก็ไม่ค่อยสําคัญพอไม่ค่อยหิวเรื่องอยู่เรื่องกินเลยกลายเป็นเรื่องสนุกสนานไปเสียก็ไม่มีอะไรสําคัญเพราะตัวเราไม่มีความสําคัญหาความทดสอบตนได้ยาก ่หากเราได้มาอดอาหารเพียงวันหนึ่งเท่านั้นอาหารจะมีความจําเป็นอย่างไรบ้างเช่นหน้าหนาวเราลองอดไม่ต้องห่มผ้าสักคืนหนึ่งเราจะเห็นความจําเป็นของผ้าอย่างไรเห็นคุณค่าของผ้าอย่างไรแล้วคืนหนึ่งไม่ได้นอนนี่เราจะเห็นคุณค่าแห่งการหลับนอนมากน้อยเพียงไรถ้าหาเราตั้งข้อสังเกตในสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรา เงินทองเข้าของที่เราช้าอยู่ในบ้านเรือนของเราแต่พ่ออย่างยิ่งเงินแม้อ ย, อยู่ในบ้านก็ยังติดกระเป๋าเราอยู่ได้ออกจากบ้านไปต้องติดแนบไปเลยมากน้อยตามความต้องการทั้งตนที่เห็นว่าจะเพียงพอกับความจําเป็ น, นถ้าไม่มีสิง่งเหล่านี้แล้วเราจะทํายังไงต้องการอะไรก็ไม่ไม่ได้เพราะไม่มีเงินไม่ได้ติดตัวไป ถึงนรยที่เราเห็นว่าเป็นความจําเป็นที่ต้องจะต้องซื้อดูแลเปลี่ยนด้วยเงินแต่เงินไม่มีเสียหรือเงินไม่ได้ติดตามไปเสียอย่างนี้ความต้องการของเราจะมีมากเพียงไรแล้วความจำเป็นของเราจะแสดงขึ้นมากเพียงไรในขณะนั้นแล้วเงินจะเห็นเป็นความสาคัญเพียงไรในขณะนั้นนี่นี่เราเทียบภายนอกโลกที่เจาะแสวงกันไม่ได้หยุดได้อยู่เป็นกงจักกันทั้งวันทั้งคืน ทั่วโลกดินแดนเพราะอะไรก็เพราะสิ่งจําเป็นเหล่านี้ธาตุขันนี่เป็นเรื่องใหญ่โตมากแม้จะเล็กๆ ก, ก็ตามภูเขาทั้งลูกไม่ได้มีความจําเป็นอะไรกับโลกทั้งหนาแต่ธาตุขันของแต่ละรายลลายคือของแต่ละคน น, นี้มีความจําเป็นต่อตนมากเพราะเป็นภาระสําคัญที่เราจะต้องรับดูแลรักษารับผิดชอบตลอดมาตั้งแต่วันอุบัติจนกระทั่งถึงวันหลายวานชนลงไป จะต้องในปฏิบัติรักษากันอยู่เพราะเป็นความจําเป็นไม่ปฏิบัติรักษาไม่ได้นี่เราลองหยุดจะในสิ่งใดสิ่งหนึ่งดังที่กล่าวมานี้เราจะเห็นความสําคัญของสิ่งนั้นมากเพียงไรต้องรู้ขึ้นภายในตัวเองจะพ่ออย่างยิ่งเช่นเราเคยรับทานอาหารวันหนึ่งสามมือ้อแล้ววันนี้ไม่รับเลยไม่รับอะไรทั้งนั้นนอกจากน้ําแล้ว ความมีโหจะแสดงขึ้นมากมาเป็งไรแล้วอาหารจะมีคุณค่ามากเป็นไหรนี่ทีนี้ย้อนเข้ามาถึงย้อนเข้ามาถึงศาสนาศาสนาที่ว่ามีความจําเป็นบ้างไม่จำเป็นบ้างสําหรับบุคคลหรือไม่มีความจําเป็นเลยสำหรับบุคคลนี่เรามีเหตุผลอย่างไรเราถึงได้คิดอย่างนั้นที่อื่นเราเห็นเป็นความจําเป็นด้วยกันทางนั้นดังโลกที่มีความจําเป็นทั่วหน้ากันดังที่กล่าวมาแล้ว ศาสนามีความจำเป็นอย่างไรบ้างศาสนาก็คือเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจหรืออาหารคิดอาหารทมนามาทำเป็นอาหารของใจนี่เป็นความจำเป็นหากวมาจำเป็นแล้วพระพุทธเจ้า จะไม่ทรงปราถนาความเป็นป า, าสดาเพื่อสั่งสอนโลกและพระโอเคงก็ไม่ปราถนาเป็นความเป็นพระพุทธเจ้าเพื่อพ้นจากโลกจากสงสารซึ่งเป็นกองทุกข์ทั้งหมดที่มีอยู่ในสามโลกนี้แล้วพระพุทธเจ้าพ้นจากความทุกข์ความทรมานในโลกทั้งสามนี้ไปได้เพราะอะไรถ้าไม่ใช่เพราะธรรมคือาศาสนะในหลักธรรมชาติ การแก้ที่เละแก้ความยุ่งเหยิงแก้ความวุ่นวายทุกประเภทต้องแก้ด้วยหลักธรรมที่เรียกว่าศาสนาธรามามีอันนี้ก็แก้ไม่ได้ทั่นหลักทางด้านจิตใจเราจะเงินทองเข้าของไปแก้จะมีมากน้อยเพียงไรก็เป็นกองเงินกองทองอยู่เช่นนั้นกองทุกข์ก็เป็นกองทุกข์อยู่ภายในใจกองสมบัติก็เป็นกองสมบัติอยู่ภายในใจไม่มีทางที่จะแก้ไขกันได้เลยนัหลักทุกทางใจแต่ธรรมานี้สามารถที่จะแก้ วิลบล้างความทุกข์ภายในจิตใจให้หมดไปได้โดยลําดับเพราะฉะนั้นธรรมจึงเป็นสิ่งจําเป็นทั่วโลกดินแดนถ้าต้องการความสุขความเจริญเช่นเดียวกับโลกทั้งหลายนอกจากจะไม่มีความรู้สึกใดๆเช่นเดียวกับหัวต่อเท่านั้นศาสนาก็ไม่จําเป็นเพราะหัวต่อรับศาสนาไม่ได้ทาบาปทําบุญไม่เป็นไปนโลกสวรรค์มิพานติดคุกติดตารางก็ไม่เป็นเพราะหัวต่อแต่เราไม่ใช่หัวต่อเราเป็นคนทั้งคน เรื่องของศาสนาจริงเป็นเรื่องจําเป็นสําหรับเราถ้าเราจะพิจารณาตามทางเหตุผลในความรับผิดชอบของเองแล้วศาสนากับเราก็แยกกันไม่ออกเราคือศาสนาศาสนาคือเราเพราะเหตุรถึงว่าอย่างนั้นศาสนาท่านสอนว่าอย่างไรท่านสอนในทางที่จะเป็นเป็นไปเพื่อความปลอดภยัยจากตัวข้างเราเราเองในเมื่อการแสดงออกมันจะแสดงออกไปในทางไหน ทางดีหรือขั่วที่จะให้เกิดความสุขความทุกข์ขึ้นมาต้องอาศัยแนวทางของศาสนาเป็นเครื่องพาให้เดินแม้งั้นลําทางเรามันก็เดินไม่ถูกคนเราต้องการความสุขความจเจริญด้วยกันแต่ไปโดนนั่นตั้งแต่ความทุกข์ความทุกข์เพราะเหตุอะไรก็เพราะเดินไม่ถูกนะศาสนาจึงเป็นความจําเป็นอย่างยิ่งคําว่าศาสนาก็ได้แก่คําสั่งสอน อันนี้พูดอย่างเพลินๆว่าคำสรร่งสอนแยกมาโลกแล้วไม่ค่อยเต็มเม็ดเต็มหน่อยมันมีน้ําหนักเท่าที่ควรคำว่าศาสนาศาสนาจึงไม่ค่อยจะมีความจําเป็นสําหรับความรู้สึกของโลกว่าศาสนาจําเป็นแต่ตนเองแต่ถ้าพูดถึงตามหลักธรรมชาติของธรรมที่คําว่าศาสนาดึงออกมาสอนโลกนี้นั้นเป็นสิ่งที่ไม่มีอะไรที่จะเสมอได้นั่นแหละคําว่าธรรมนั่นแหละสําคัญมากศาสนา ธรรมคำสอนคือดึงออกมาจากธรรมนั่นแหละมาเป็นรูยเป็นหมายป้ายทางออกไปเป็นแบบแปลนแผนถังแสดงออกมาเป็นลักษณะท่าทางอย่างนั้นอย่างนี้นี่เป็นไยเหตุถ้าให้ทำอยางนั้นให้ทำอย่างนั้ น, น, นแล้วจะประสบพบเห็นผลอย่างนั้นอย่างนั้นนี่ผลก็คือธรรมผลอันแท้จริงแล้วจิตใจของเรา มีความต้องการความสุขความเจริญอยู่ตลอดเวลาและมีทางที่จะเข้าไปอยู่โดยลําดับไม่มีการยับยั้งว่าจะไม่ไปมาสู่ภพนี้แล้วก็ไม่อยู่ยังต้องคิดต้องคุ้มเรื่องนั้นเรื่องนี้โลกนั้นโลกนี้เรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องสุขเรื่องทุกข์เรื่องรากเรื่องช้างเรื่องโกรธเรื่องเบียดคิดไปตลอดเวลาไม่ได้หยุดได้อยู่กัดอยู่กับตัวนี่คือตัวสตัวแสวงตัวตั้งหน้าเดินอยู่ตลอดเวลาแต่โบกเย็นไปอยู่นั้นเพราะหาทางออกไม่ได้ คิดเรื่องอะไรแม้จะเป็นเรื่องความไม่ดีก็ยังต้องจาให้คิดจําให้ชอบให้คิดอยู่บ่อยๆแล้วก็มีความทุกข์อันเป็นผลเกิดขึ้นมาสู่ตนเสมอหากว่ามีแนวทางแห่งธรรมเป็นเครื่องทำสอนไหมเราจะหาอุบายละเบ้นจากสิ่งเหล่านั้นไม่ได้เลยมนุษย์เราจึงเป็นผู้ควรอย่างยิ่งกับศาสนาสอนให้รู้ดีรู้ชั่วรู้บุญรู้บาป รู้วิธีปฏิบัติต่อตนเองเพราะมนุษย์มีความฉลาดยิ่งกว่าสัตว์ประเภทใดๆทั้งหมดศา ส, สนาจึงควรแก่มนุษย์เราเพให้เราเป็นมนุษย์ทั้งคนแล้วศาสนานั้นเป็นอย่างไรกับเราวันคืนปีเดือนล่วงไปล่วงไปล่วงไปความรู้สึกของเรามีอย่างไรบ้างที่จะตั้งหลักตั้งฐานอันเป็นสริงแน่นหนา ม, มั่นคงคือสาระคุณขึ้นภายใน จ, ใจิตใจเราได้สร้าง ม, มากน้อยเพียงไร อะไรจะมีความสมบูรณ์ก็ตามสิ่งนั้นก็สมบูรณ์แต่อันใดที่บกคร่องเส้นสายเส้นธรรมเป็นเครื่องบอกคร่องภาย ใ, ใจิตใจใจต้องจะต้องมีความบกคร่องอยู่เสมอทั้งๆั ง, ท, งที่สิ่งทั้งหลายมีอยู่เมื่อเป็นฉะนั้นจุดนี้เราก็ควรจะแก้ไขหรือส่งเสริมให้มีขึ้นมากเมื่อมีขึ้นมาแล้วก็ดีถ้ายังไม่มีก็ควรจะรีบเร่งผลขว้ายสร้างนั้นตั้งแต่บัดนี้เฉพาะยางยิ่งจิตตาภาวนาเป็นสิ่งสําคัญมากซึ่งจะทําให้เห็นประจัด ภายในจิตใจของตอนเองเพราะเรื่องมีอยู่กับตัวการเกิดการตายไม่มีอยู่ในสถานที่ใดยิ่งไปกว่าอยู่ที่จิตตายที่นี่ไปเกิดที่นั่นตายที่นั่นมาเกิดที่นี่มีอยู่กับจิตนี้ดวงเดียวเท่านั้นและการที่จะประคับประคองจิตให้าจะเกิดในสถานที่ดีคติที่งามนี้ต้องประคับประคองด้วยคุณงามความดีการประพฤติให้ดีนำเพนสีนธรรมให้มีขึ้นภายในจิตใจเพื่อใจของเราจะได้ยึดอันนี้เป็นหลัก ใจเมื่อมีของดีเป็นเครื่องยึดแล้วก็ไปดีอยู่ดีมีความเป็นสุขจะไปพบไหนก็ไปเถอะคนมีบุญแล้วไม่ล่มจงแต่คนมีบาปอยู่เฉยๆก็ร้อนนั่งอยู่ก็ร้อนเดินอยู่ก็ร้อนยังไม่ตายก็ร้อนตายไปก็ร้อนเพราะความร้อนอยู่กับหัวใจไม่จะอยู่ได้ที่อื่นใดสิ่งอื่นเราเคยได้ศึกษาเราเรียนเราเคยได้ค้นขวา้า แต่จิตของเราซึ่งเป็นตัวแสดงละคร อ, อยู่ตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่ง น, นอนนี้เรายังไม่ค่อยได้พิสูจน์กันามันคิดเรื่องอะไรบ้างมันคิดหายาพิษหรือหาภัยอะไรมาเผารนตนเองทั้งวันทั้งคืนนี้เราไม่ค่อยได้คิดไม่ค่อยหาวบายแก้ไขแล้วไม่สนใจที่จะแก้ไขซึ่งต้องแบกแต่ทุกข์ทั้งวั น, นทั้งคืนเดินเดนินนั่งนอนไม่ว่าจะเป็นชาติชั้นมันณในดก็ตามหลีกเบ้นความทุกข์เหล่านี้ไม่ได้เพราะจิตเป็นผู้สร้างขึ้นด้วยกันไม่ใช่ผู้อื่นใดเป็นผู้สร้างให้ แล้วอุบายวิธีที่จะเราจะแก้ไขสิ่งนี้เราจะแก้ไขได้ด้วยวิธีใดหลักสำคัญก็คือพยายามฝืนเมื่อทราบแล้วว่าสิ่งนี้ไม่ดีก็พยายามฝืนแก้ไขไม่ให้เป็นไปตามความอยากความต้องการนั้นประการหนึ่งประการสำคัญก็คือฝึกขัดจิตใ จ, จธรรมดาของจิตใ จ, จต้องมีความคิดความปรุงอยู่เสมอวอกแวกคองแคนไม่มีอะไรคิดจะ คิดจะตรุงอย่างรวดเร็วยิ่งกว่าใจาแต่เมื่อในอาศัยหลักธรรมมีสติเป็นต้นและมีคําบริกรรมแห่งทำคำใดคำหนึ่งเช่นพุทโธหรืออนาปาณะติเป็นต้นเข้าเป็นเครื่อนกากับใจให้มีสติรับรู้อยู่กับคําบริกรรมนั้นๆไม่เผลอไปสู่อารมณ์อื่นๆใดทั้งหมดในขณะที่ทํานั่นแลจไกิตจะได้รับความสงบลงเพราะทำหมดนั้นๆด้วยสติควบคุมเมื่อใจมีความสงบแล้วเราก็จะเห็นสาระคุณขึ้นภายในตัวของเราเอง แล้วเราจะได้เห็นโทษแห่งความเพลีร้อนแห่งความไม่มีหลักมีเกณฑ์ของตัวเพราะความไม่มีหลักมีเกณฑ์ถ้าเรายังไม่มีสิ่งเทียบเคียงหรือไม่ไม่มีหลักประกันบ้างเล็กน้อยมันก็ไม่ทราบว่าอะไรดีอะไรไม่ดีมันต้องมีสิ่งมาเทียบเทียงมาเป็นคู่แข่งกันมีแต่ร้อนทั้งวันทั้งคืนตั้งแต่วันเกิดมาไม่เคยเห็นความเย็นเลยเราก็ไม่ทราบว่าร้อนนี่มันดีหรือไม่ดี ถ้าไม่มีอะไรที่เป็นเครื่องเทียบกันและเป็นคู่แข่งกันเมื่อเป็นเช่นนั้นเพื่อหาหลักเกณฑ์เราจึงควรอบรมทางด้านจิตใจวันเวลามีอยู่มืดแจ้งมีอยู่ตั้งแต่วันเราเกิดมาไม่เคยหายไปไหนเช่นอย่างมืดในขณะ น, นี้วันพรุ่งนี้เช้าก็สว่างขึ้นมา นี่ไม่เคยหายไปไหนแหละเราจะหาโอกาสกับสิ่งเหล่านี้เราได้ทุกเวลานั่นแหละนอกจากเราไม่หาถ้าเราไม่หาเราถึงวันเวลาโอกาสจะมีเพียงไรก็ตามความจนกรอบก็อยู่กับเราความจนมุมอยู่กับเราหาไม่ร่ำมีลาไม่ได้ถ้าเราจะแก้ปัญหานี้ให้ตกลงไปไม่มากก็าตามพอได้สะดุดใจบ้างก็วควรจะลุกขึ้นมา คือย้อนต่อสู้กันบ้างวันไหนก็มีเวลาวันไหนก็มีเวลาไม่ว่าวันนี้วันหน้าเดือนไหนปีใดที่ผ่านมาแล้วก็มีเวลาปัจจุบันวันนี้ก็มีเวลาต่อไปอนาคตข้างหน้าก็จะมีเวลาจะ ม, มีเวลาจริงๆหรืหอะถามที่คองลงดูเวลาตายทำไมมีเวลานา น, านมันได้เวลามาจากไหนมันถึงได้ตายเพียงเท่านี้มันก็สะดุดใจในขณะที่ตายแล้วเราจะทาไง นี่ยังมีให้ช่างมากุชลาทำมากุชลาทำมาเอาเงินไปกิน้เฉยมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรให้สร้างกุชลาขึ้นภายในจิตใจของตนให้มีความเฉลียวฉลาดต่อความเป็นดุความเป็นไปของ จ, จิตใจนี่แหละชื่อว่ากุชลาแท้สร้างความเฉลียวฉลาดขึ้นภายในตนให้เป็นที่มั่นใจได้ในจุดนี้แล้วตายแล้วใครจะกุศลาให้กุชลามาเห็นเป็นปัญหาหลายพระพุทธเจ้าสอนให้มีความฉลาดในขณะที่ยังมีชีวิตยอยู่ไม่ใช่ตายแล้วในมนภาพกุชลาทำมา ยกันไปข้ามไปสวรรค์นิพพานให้จนหมดดังนั้นจะมาปฏิบัติศาสนาให้สนักให้ลําบากทำํำไมเช่นอย่างหลวงตาบัว น, นี่ก็เหมือนกันไม่มาบวชให้เสียเวลาเวลาลําบากลําบนเหนือเกินตายแล้วก็คือบวชพระปัวตาไว้สักองคหนึ่งพอจะยกขึ้นคนไปสวรรค์ปิพา น, านาจะให้หมดใครตายกับกุชลาธรรมมากุชลาธรรมมาเรื่อยยกไปสวรรค์นิพพานกันทั้งหมดแต่นี้มันไม่เป็นเช่มา น, านถ้า กุศลธรรมาคือความฉลาดไม่มีอยู่ภายในติดภายในตัวแล้วจะทํำยังไงมันก็อย่างนั้นแหละยกมาขีกัมภีพระไตรไปิฎกมาสวดกันนั้นก็นกนเท่านั้ น, นเนี่ยเพราะสวดออกจากต่ากนี่ต่างหากไม่ได้ตำรับที่เลียดศาสนาสวหรความชั่วของคนผู้นันน้นๆได้อย่างไรอ่าทำท่านปรากที่เลีดของของผู้บำเพ็ญธรรต่างหาก่การทําบุญให้ทานในขณะที่ตายแเราไม่ได้ปฏิเสธว่าไม่เป็นบุญไม่ได้เป็นบุญศน ถ้าจะเห็นความสําคัญยิ่งกว่านั้นก็ไปอิกก่กบัตสร้างกุศลาคือความเฉลาดให้แก่ตนเสียในบัตรนี้ตายแล้วใครจะมากุศลาไม่กุศลาอย่าจะไปวิตกวิการจะไปห่วงไปห่วงกับข่าวที่เขาอุทิศให้ของเขาอุทิศให้สร้างให้พอตัง้งแต่บัตรนี้เต็มตัวไปแล้วใครจะอุทิศให้ไม่อุทิศให้ไม่สําคัญเพราะเราเต็มภูมิเราแล้วไปอย่างสบายหายห่วงนี่เป็นหนักประกันตัวได้อย่างแน่นอนเวลาหนี้จารเรามันโง่อหรือมันฉลาด ความฉลาดในใจของเราทุกวันนี้มีแต่กิเลสพาให้ฉลาดทั้งนั้นเพราะย่านจึงพาให้เราจมเสมอด้วยความทุกข์ความลำบากถ้าฉลาดด้วยธรรมแล้วเราจะมีความคล่องแคล่วแก้วกล้ามีความผ่องใสมีความสงบเย็นใจภ า, ายใน จ, จิตใจนี่ชื่อว่าความฉลาดในธรรมนำบุคคลให้รับความสงบสุขร่มเย็นทั้งปัจจุบันนี้อนาคตข้างหน้าชื่อว่ากุศลธรรมมาถ้าอยู่พาไปจริงๆการเรียนให้ตามคัมภีร์บาลานั้นไม่ได้ปฏิเสธ เรียนเท่าไหร่ปรเรียนเถอะถ้าไม่สร้างภายในจิตใจก็แน่นีความเฉลียวสนาดแก้กิเลสอันเป็นตัวโง่อยู่ภายในจิตใจนี้แล้วแบกคำพีไปห้าครับร้อยคำพีมันก็เป็นแต่คำพีนะเจ้ากิเลสก็เต็มหัวใจเช่นเดิมไม่เห็มีอะไรแตกนะโอ้ยอาจารสอนลงมาที่นี่อันนั้นเป็นเขส้นพิษทางเดินสอนนั้นเข้ามาอย่างนี้ตัวกิเลสตัณหาตัวทุกตัวภัยทั้งหลายมันเกิดที่ใจเรียนก็เรียนทั้งนั้นแล้วก็ ย้อนเข้ามาสู่ตัวกิเลสตัณหาอาสวะนั่นเป็นชื่อของกิเลสตัณหาอาสวะที่มีอยู่ในหนังสือนั่นเป็นชื่อไม่ใช่ตัวกิเลสอย่างแท้จริงไม่ใช่ตัวผู้ก่อกองทุกข์ให้บุคคลให้สัตว์ตัวก่อจริงๆมันอยู่ที่ใจเพราะฉะนั้นเมื่อเรียนรู้แล้วถึงย้อนเข้ามาสู่ที่ใจจับเอาตัวมันรู้รู้ชื่อมันแล้วตามจับตัวมันให้ใหได้ให้ทันชื่อผู้ฉ ล, ลาดฉ ล, ลาดฆ่ากิเลสฉลาดฆ่าความโลคความโกรธความหลงของตัวเองเออกได้โดยลําดับลําดับก็ค่อยเบาไปเบาไป คนมันหนักคนมันทุกข์เพราะความโลภเพราะความโกรธเพราะความหลงไม่ใช่มีความสุขความสะดวกสบายเพราะความโลภความโกรธความหลงมันเป็นทุกข์เพราะสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้เป็นภัยธรรมะจึงต้องสอนให้แก้ให้ปราบตามสิ่งเหล่านี้ให้มันหมดไปหมดไปแล้วความสุขไม่ต้องถามมันเกิดขึ้นมาเองอช่างที่ตรงนี้จะให้ถึงไม่ร่เวลาเอาเขาเาเข้าลงแล้วเข้าลงโป๊กกโป๊กรับศีลนพ่อนะรับศีลนะแม่นะตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่ไม่สนใจกับอัตถธรรมจะเอาศีลมาจากไหน จะรู้สินรู้ธรรมยังถ้าไม่รู้ตั้งแต่ขนาดที่กำลังมีชีวิตอยู่เราควรจะรู้จะตั้งแต่บัดนี้ถ้ารู้สิลรู้ธรรมภายในจิตใจจะตั้ง แ, แต่บัดนี้แล้วบำเพ็ญให้เต็มที่กําลังตนตั้งแต่บัดนี้แล้วอยู่ไหนก็อยู่เธอะคนเราธรรมะพระเจ้าไม่ใช่ตุกตาเป็นเครื่องเล่นของเด็กพอจะหลอดคนแต่ไปนูน่นไปนี่นะไม่ได้เป็นอย่างนั้นให้ทําลงไปให้เห็นประจักษ์กับตัวเองศาสนาธรรมเป็นเครื่องประกาศท้าทายความจริงอยู่ตลอดมาตั้งแต่พระเจ้าแต่จะรูจ้จนกระทั่งบัดนี้แล้วจะประกาศความจริงตลอดไป นอกจากจิตใจของเรามันปลอมหมดทั้งดวงความจริงแทรกไม่ได้ถ้าเรื่องความจําปลอมมันเข้ากันได้วันย่างค่ําความโกหกหลอกลวงนี่เชื่อกันง่ายๆแต่ความจริงไม่ค่อยเชื่อเพราะอะไรเต้องหูมันสตกะโตกเอาของต่างเข้าไปมันไม่เข้าใจมันสตกะโตกเอาของดีของจริงเข้าไปมันไม่รับถ้าเป็นของสตกะโตกแล้ววันย่างค่ํามันรับได้ทั้งนั้นพันกันไปเลยยิ่งกว่าแหพันลิงมีเวลานี้จิตใจของเรามันเป็นอย่างไง มันเป็นแบบแห่พันลิงหรืมันเป็นแบบไหนเราคนรพิสูจเราเราเป็นผู้เรียนทำเป็นปฏิบรรัติทำพระพุทธเจ้าไม่มีความหวังอะไรจากพวกเราเลยศาสนาธรรมที่ประกาศวันนี้ด้วยพระเมตตาลุ่มล่วนเรายังไม่มีความเมตตาต่อเราแล้วก็สูตรพิสัยที่ทำให้เราแทรกถึงใจได้และตายแล้วก็ไปปบนกองคุกข์อยู่ในภาณจิตใจแล้วลงมาโลกแล้วนี่จะไปแก้ไขกองคุกในโลกมันมีเหรือปฏิคุกข์จิตรังแล้วก็จะไปแก้ไขกฎหมายเขาได้หรนะมันแก้ไม่ได้เมื่อเข้าถึงนั้นแล้วต้องแก้ตั้งแต่ยังยังไม่ถึงตัว เพียงจิตติคุกเรียบแก้กตัวตั้งแต่บัดนี้ดังไม่ตายเขาแก้กเสียตั้งแต่บัดนี้ชื่อว่ามนุษย์ฉลาดนี่ยท่านเป็มนุษย์ฉลาดเป็นอย่างนี้ขนาดเอาตัวรอดขนาดปลดเปลื้องสิ่งที่เป็นภัยแก่ตนเองให้มีแต่ความดีโดยลําดับลําดับมับนคืนปีเดือนมันล่วงไปล่วงไปชีวิตจิตใจก็ล่วงไปล่วงไปสังขาหนังกายค่อยเสื่อมโทลงไปโดยลําัําดับมันจะเจริญไปที่ไหนมันจะเจริญไปถึงปัจฉ า, าเท่านั้นมีเท่านั้นโลกอะ เขาจะว่าบังมามีว่าสีว่าสุขว่าฉเฉลียวชนะขนาดไหนก็มีแต่ความสําคัญมันหมายเอาเฉยเฉยเมาลมันเท่านั้นเองความจริงคือความเย็นใจไม่มีติดตัวแล้ววันย่างข้ามมันก็ทุกอยู่นั่นแหละไปพบไหนก็ไปเถอะเรื่องความจริงจะต้องเป็นทุกอยู่เรื่อยไปนั่นนหะหาความถูกไม่ได้ไอความเสรฉดสันปั้นยอหรือความ้ําพันตนมันหลอกเออะเราอย่าไปหลงมันหลอกมากนะให้ดูจิตใจตัวที่แบกทุกแ บ, บกทุกคนเนี่ยส่วนมากมันแบกแต่ทุกให้ดูตัวนี้ตัวนี้เป็นยังไงเขาว่าเราชนาะหรือชนะจริงไหม ให้ดูตัวนี้มีโลกธรรมตัวนี้ถ้าดูนี้โดยระ ด, ดับลระดับเนี้ยมันจะสบายหาย ห, ายห่วงตายแต่ก้าตายไปเธอไม่ยากาลาบากอะไรเลยเรื่องการเกิดการตายเป็นของของพูกเพียงกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วกัวมันไปไหนกลัวไปไห น, หไไหนมันก็อยู่กับเราแล้ววิ่งตามตายมัก็อยู่กับเรามันก็วิ่งไปตามเนี่ยเรานอนความตายก็นอนเรานั่งความตายก็นั่งเนยเราเดินความตายก็เดินมันเดินไปด้วยตามเราพอถึงเวลาสุดท้ายแล้วตาย เกิดการตายเป็องอู่กันในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ให้สร้างเสียอันไหนที่จะเป็นไปเพื่อผลเพื่อประโยชน์แก่ตนอย่าให้เสียท่าเสถีที่เกิดมาพบพระพุทธศาสนากอดกองมหาสมบัติอยู่แตมไม่ได้อะไรเป็นสาระย่างฐานอะไรเลยนี่ก็รู้สึกว่ามันโง่เกินไปมนุษย์เราพระพุทธเจ้าเป็นจอมปราชาลแหลมคมที่สุดแก้ที่เลี่ยนจากงค์ได้แล้วสั่งสอนโลกด้วยท่าเมตตาเราพูดที่ยรับ ข้อปฏิบัติจากท่านมาพุธปฏิบัติเพื่อเป็นสาระคุณแก่เราเท่านั้นเรายังปฏิบัติไม่ได้เราจะหวังความสุขกระเดินจากที่ไหนจากอะไรจากโลกไหนนะมันไม่มีทั้งนั้นล่ะคือความหมดหวังอยู่ไหนมันก็หมดหวังถ้าไม่สร้างความหวังให้ตนเองเสียตั้งแต่ที่มีชีวิตอยู่นี่คือบุคคนฉลาดฉลาดอย่างนี้และการแสดงคํานี้ก็ต้องขออภยัยเท่นพุโทโธพุธโทโธนี้ให้มีความรู้สึกอยู่กับคําว่าพุโทโธมีความนี้เกิดอยู่นั้นนิมก เมื่อกรรมวิกรรเราตึกต่ออยู่ด้วยควา ม, มรู้คือสติอยู่กับงานนี้แล้วโดวยสม่ำเสมอแล้วจิความรู้สึกที่มันเคยคิดขัานในที่ต่างๆนี่ค่อยรวมตัวเข้ามารวมตัวจะเข้ามาสู่จุดนี้มีท่านที่ท่านเรียก ว, ว่าจิตสงบหรือจิตรวมหมายถึงอย่างนี้คือรวมตัวเข้ามาหนักการที่เราเห็นความแปลกภายในตัวของเราซึ่งไม่เคยเห็นมาเลยแต่ก่อน ถ้าที่จิตก็มีอยู่กับตัวแต่ไม่ทราบว่าจิตเป็นยังไงไม่จะรู้เลยถือเหมาทั้งตัวนี้ว่าตัวเราทั้งหมดนี่ก็คือภูรูขอนเองเมื่ออันนี้มันฉลาบไปภูรูมันก็หมดปัญหาต้องฉลายไปด้วยการเป็นลักษณะยอย่างนั้นคน ท, ท, ท, ที่ที่ที่มีความรู้สึกหรือมีความเห็นว่าตายแล้วสูนมักจะคิดอย่งนี้ถ้าจับตัวตัวสําคัญนั้นไม่ได้ตัวผู้ว่ามันตายแล้วสูญไมันด้นั่นแหละผู้นั้นแหะ คุณไม่สูน่์ผู้มันไหวนั่นแหละแต่มีอันหนึ่งเข้าแทรกมันรู้ว่าเป็นเครื่องหนุนหลังมันให้เป็นความเข้าใจไปอย่างนั้นว่าศูนยให้ศูนย์เลยคัท่านที่คุณนี่ไม่ศูนย์อันนี้เวลาเราเรียนนี่ปฏิบัติอย่างนี้นั้นมังเข้าสหาตัวจริงตามมันเข้าไปตามเข้าไปเพราะ่าเข้ า, า, าถึงตัวจริงเมื่อถึงตัวจริงด้วยตัวเองรู้ด้วยตัวเองแล้วใครจะพูดล้ำไม่สนใจฟัง ความจริงประลุอยู่กับใจนี่แล้วที่ขยับกับเยงว่าการเดินตรงๆนั้เดินที่จิตใดที่จะถูกนะจิตยากของการเดินตรงก็แล้วก็เดินกลับไปกลับมาแต่ความมะลุๆขูงเราให้ที่จิตทางานก็ให้ทํางานอยู่ภายในเราดังที่เคยถามเช่นกาหนดพุทโธก็เดินไปก็ให้รู้อยู่กับพุทโธเราเดินกลับไปกลับมา ก็ถูกไม่อาการของการเดินนั่งอาจจะนั่งแบบไหนก็ได้แต่ที่ขั้นนั่งขัดอะไรสมมาธ์เพชรหรืออะไรนั่นเพื่อความเสมอของร่างกายคือร่างกายของเรานี่ยถ้านั่งเขเพีย้ยวนี้มันจะหนักทางด้านนี้นั่งพับทางนี้มันก็จะหนักทางด้านนี้ไม่เสมอถ้าเรานั่งขัดสมมาธินี้มันเสมอ ความกดของส่วนร่างกายกับพื้นมันก็มันเสมอกันนี่เราจะเห็นคุณค่าการนั่งขัดสมาธินี่ในเวลาที่เรานั่งนานพอเาตั่งแล้วพอมันพอมันเหนื่อยแล้วก็พริกเสียวกระพริเสียวนี่เราไม่ทราบไม่เคยเห็นความต้องการตองการนั่งขัดสมาธิเวลานั่งนานเ น, นี่มันมันลงเสมอกันรขณะที่ สมดุลจิตน่าพุโทโธพุโทโธจำเป็นที่จะเล่าทราบตัวตไหนแตเข้าออกก็เราต้องการทราบก็ไ ด, ด้ไม่ขัดข้องไม่ไม่เป็นอุปสรรคต่อกันแต่ถ้ า, าเวลาํสมดุลจิตให้ทราบพุโทโธพุทโธอย่างเดียวเราเอาใจอยู่กับพุทโธอย่างเดียวโดยที่ไม่ได้ตัดส่วนจิตโลมใจถ้าออกจะไม่จะเป็นการสะดวกก่อีกล่อันนี้คราบเป็นตามมัธยาศัย้ของนะถ้าจะของเห็นว่าอะไรสะดวกก็ก็เหตุยึดนนั้นไว้อันนี้มันมันตามมัธาสาย ก็จดีแสงเราไม่เหมือนกันเราจะตะกำหนดพุดโทโธคือกำหนดลมหายใจตามด้วยพุโทโธเนี่ยก็ได้หรือกำหนดเฉพาะพุพโทโธก็ได้หรือจะสังเกต ด, ดูเฉพาะลมก็ได้แต่ส่วนมากถ้าจิตเรายังสติกกยังไม่ดีนี่กำหนดเฉพาะลมนี่มันไม่ค่อยจะยึดได้หลักเท่าไหร่ต้องอาศายรรัยคำบริกรรมครับ